บุ๊กทูห้าสิหกความรู้สึกมีความรู้สึกต้องการอยากเรามีความรู้สึก เราต้องการเราอยากมิ мАЙМО БАЖАННЯ เราไม่มีความรู้สึกเราไม่ต้องการเราไม่อยากมิ не мАЙМО БАЖАННЯ กลัว БОЯТИСЯ ДИ ฉันกลัว Я БОЮСЯ ดิฉันไม่กลัวยันแนบอยู่สัมีเวลาม ати час เขามีเวลาวินไม่ได้าเขาไม่มีเวลาวินเนี่ยไม่ได้ช้าเบื่อ นุหวเตเธอเบื่อวนานุหัเยเธอไม่เบื่อวแนุหยหิวบุตหลดเนคุณหิวไหมวิหลดนีคุณไม่หิวหรือ กระหายน้ำมัติ п ปราหพวกเขากระหายน้ำพวกเข ють สปราหูพวกเขาไม่กระหายน้ำ и не нам. м а ю ม ь с ป р а ห и